ปฏิบัติรมแล้วก็พิจารณามาทำความสงบใช่ไหมพอมันเป็นอย่างนั้นปึ๊บเราก็จะได้เห็นโลกที่มันมุมอมองให้มันเปลี่ยนไปจากเดิมที่เรามีจตดใจที่ส่งออกไปข้างนอกวุ่นวี่วุ่นวายกับเรื่องราวภายนอก เรื่องงานบ้างเรื่องครอบครัวบ้างาเราดูทีวีดิวสื่อต่างๆใจเราก็ไหลเอาไปตามสิ่งที่เราดูสิ่งที่เราฟังแล้วก็โดยมากมันก็เป็นรายการเป็นคอนเทนต์ที่มันเป็นไปเพื่อทำให้ โลภะโทรศัพท์โมหะราคะมันซึื่องฟูรายการดีๆมันก็มีแต่สัดส่วนมันก็น้อยหน่อยรายการที่มันจะทําให้เวลาเราดูเราฟังแล้วเนี่ยมันพัฒนาทําให้เราห่างไกลจากโลภะโทรศัพท์โมหะราคะเนี่ยก็มีน้อยสัดส่วนมีน้อยเพราะนั้นคนส่วนมาก จิตใจก็พุ่งออกไปแต่ข้างนอกไม่ค่อยได้ย้อนกลับเข้ามาอยู่ในภายในพอเรามีโอกาสได้ได้มาฝึกได้มาฝึกสติมีสติที่กำกับใจอยู่มีความสงบใจเกิดขึ้น เวลาเราฟังเทศที่ไหนที่ไหนครูบาอาจารย์องค์ไหนเนี่ยท่านก็ต้องบอกว่าสงบแล้วก็ต้องเอามาพิจารณานะอันนั้นมันก็เป็นแพทเทิร์นในการที่ที่เราจะมาฝึกหาปฏิบัติธรรมะนะฝึกพิจารณาเพื่ออะไรเพื่อที่จะถอดถอนกิเลสออกไปจากใจเพื่อที่จะลดทอน โลภะโทสะโมหาราะระคัให้มันลดน้อยลงหรือว่าขูดลอกมันออกจากใจโดยการที่มาพิจารณากายเป็นต้นให้มองเห็นถึงกายว่ามันเป็นสิ่งที่สะอาดไหมเป็นของโสกปกโสโครเป็นปฏิกูลใช่ไหม จากเดิมที่มองโดยให้กิเลสนำใจไปก็เห็นแต่เป็นของสะอาดของสวยของงามแล้วก็มีความยึดติดยึดถือมีความชอบแล้วก็จะไปสรรหาแบบที่มันถูกใจแต่พอเราได้ยินได้ฟังมันก็จะมีแนวทาง ท่านก็บอกว่าเอางั้นเรามาดูความจริงให้มันท่วนทั่วนะเรามาดูสิให้มันเห็นสภาพความเป็นจริงของมันมันมีอีกที่เรียกว่าความไม่สวยไม่งามนอกจากความสวยงามที่เราจะมองตามนแนวทางของกิเลสแล้วเนี่ยมันมีอีกด้านหนึ่งนะความเป็นจริงที่กิเลสมันไม่ค่อยให้เราได้ได้มองเห็นคือด้านความไม่สวยไม่งาม เพราะว่าเวลาเรามองเห็นถึงความไม่สวยไม่งามเนี่ยมันก็จะมีความความหน่ายแล้วมันก็จะคลายกำหนัดคือความอยากที่จะยึดถือเอาไว้พันกิเลสมันก็จะคอยปิดป้องไม่ให้คนมาพิจารณาไม่ให้คนเห็นความจริงอีกด้านหนึ่งแต่พอคนที่ได้มาฝึกหัดปฏิบัติธรรมะ พระพุทเจ้าก็บอกว่าอ่านเรามาพิจารณาสิให้เห็นถึงความเป็นสิ่งที่มันไม่สะอาดที่มันที่กิเลสมันปกปิดซ่อนเร้นเอาไว้ไม่ให้เรามีโอกาสที่จะให้ใจได้รับรู้ลึกซึ้งที่ใจอันนี้ก็เป็นงานชิ้นหนึ่งในหลายๆงานที่พระพุทธเจ้าท่านทรงประทานให้เอาไว้ เพื่อที่จะถอดถอนกิเลสออกจากใจอย่างการที่เรามาพิจารณาความตายมันก็เป็นงานชิ้นหนึ่งเหมือนกันนอกจากที่เราจะพิจารณาถึงความที่ว่ามันเป็นของปฏิกูลโสโครกแล้วเนี่ยอีกแง่ที่เราจะเอามาพิจารณาได้ก็คือความตายก็เป็นอีกแง่หนึ่ง เวลาเราพิจารณาถึงความตายบ่อยๆเราก็จะเห็นตั้งแต่ต้นทางจนถึงปลายทางก็คือความตายไม่เยือนใช่ไหมสาระแก่นสารที่เรากำลังทำอยู่ตอนนี้ถ้ามันตายไปแล้วเนี่ยมันเป็นยังไงเราเอาติดตัวไปได้ไหมเราเอาไปได้หรือเปล่าทรัพย์สินเงินทองญาติพี่น้อง ชื่อเสียงบ้านช่องเราก็เอาไปไม่ได้นะสิ่งเหล่านี้เพราะฉะนั้นมันก็มีความที่มันจะมีได้มีเสียในชีวิตของเราเนี่ยก็คือเขาเรียกว่ามีสา ร, ระเกียรติสารในชีวิตของเราก็ในช่วงเวลาที่เรายังดารงชีวิตอยู่เท่านั้นเอง แต่พอไปถึงจุดที่ความตายมาเยือนปุ๊บก็คือล้มกระดานแล้วจบกันไปความมีสาระแก่ยนสารมันก็หมดสิ้นจบอยู่ตรงนั้นอันนี้ก็เป็นอีกแนวทางหนึ่งที่เราจะานำมาพิจารณาเพื่อสอนใจเรานอกจากที่เราจะ พิจารณาให้มันเห็นถึงความไม่สะอาดเป็นของปฏิกูลแล้วอีกอย่างที่เรานิยมที่จะพิจารณากันก็คือมองให้มันเห็นเป็นธาตุธาตุสีินน้ำไฟลมอย่างตัวเรานี่เร า, เาโยนเข้าเตาเผาเอาหมาเอาแมว เอาสัตว์ต่างๆเอาจับๆมารวมๆกันแล้วก็โยนเข้าเตาเผาเผารวมกันเลยสุดท้ายมันก็เหลือแต่กองดินที่มันกองรวมกันนั่นแหละความเป็นสัตว์เป็นบุคคลตัวตนเราก็แยกไม่ออกแล้วนะตอนนั้นนะมันก็แสดงให้เห็นถึงว่าความเป็นสัตว์ความเป็นบุคคลตัวตนเราเขาเนี่ย มันก็มีอยู่ชั่วระยะเวลาหนึ่งเท่านั้นมันไม่ได้เป็นสิ่งที่มันจีรังยั่งยืนหรือเที่ยงแท้อะไรอันนี้ก็เป็นแนวทางอันหนึง่งที่เราจะสามารถพิจารณาสอนใจได้พะสุดท้ายมันก็เป็นการประกอบปรวโลมตัวกันสิ่งที่เราเห็นนะ มันก็เป็นการประกอบรวมตัวกันของธาตุสี่เท่านั้นเองสิ่งที่ทำให้อีกหินปูนทรายซึ่งมันก็เป็นพวกดินน้ำไฟล ม, มอะไรต่างๆเนี่ยมันต่างจากเราต่างจากสัตว์ก็ตรงที่ว่ามันมีตัววิญญาณวิญญาณธาตุ หรือจิตหรือใจนี่แหละมาถือครองเอาไว้ก็กลายเป็นสิ่งมีชีวิตที่ที่มีใจครองแต่พอมันถึงความตายมาเยือนจิตมันก็ออกจากอัตภาพอันนี้ไปมันก็กลับคืนสู่สภาพเดิมของมันดินก็ไปเป็นธาตุดินน้ําก็ไปเป็นธาตุน้ํา ลมกับไฟครับตามสภาพมันไปแต่ถ้าพูดอย่างนี้ก็อาจจะขัดใจกับคนที่เรียนวิทยาศาสตร์นิดหน่อยเราเอาดินมากองนึงเอาน้ำมาเทตุ้มๆลงไปแล้วก็บอกว่าปั๊มลมลงไปเอาไฟมาลนนีแล้วมันจะกลายเป็นคนขึ้นมาได้ยังไง อันนี้มันก็มุมมองของคนที่เรียนวิทยาศาสตร์ไปใช่ไหมอันนี้ถ้ามุมมองในทางวิทยาศาสตร์ก็คือว่ามันมันเอามาประกอบกันได้ยังไงเนมั น, ม, นมันก็ประกอบกันได้แค่มันเป็นหลังคาบ้านเรือนเป็นบ้านเรือนขึ้นมาเท่านั้นเลยเอาดินเอาน้ํามาผสมกันไปแต่ถ้าเรามองให้ดีพิจารณาให้ดี ทำไมท่านถึงตรัสเอาไว้ว่าเป็นการประชุมกันของทัศสีอันนี้ที่เราพูดอย่างนี้ได้เนี่ยเพราะว่าเราพิจารณาในแง่ไม่ใช่เป็นการประกอบรวมตัวกันแต่หลังจากที่มันมีแล้วเนี่ยที่มันเปลี่ยนแปลงให้เราเห็นคือตอนที่มันแตกสลายไปกลับขึ้นสู่สภาวะของเดิมมันก็กลายไปเป็นดินใช่ไหมมันเราเอาข้าเต่าเผาอ่ะก็กลายเป็น ที่เท่าเป็นเท่าเป็นฐานมันก็คือดินน่ะให้เราเห็นนั่นแหละใช่ไหมพอมันแตกสลายมันก็กลับคืนสู่สภาพเดิมของมันจะ ก, กลายเป็นดินส่วนที่มันเป็นน้ำมันก็ซาบซ่าลงไปนะกับพื้นดินลงไปก็แค่ว่ามองกันคนละแบบแค่นั้นเองแต่มันก็เป็นมุมมองที่ ถ้าเรามองย้อนกลับไป 2,600 ปีล่วงมาแล้วเนี่ยวิทยาศาสตร์ก็ไม่ได้เจริญก้าวหน้าอะไรเครื่องไม้เครื่องมือก็ไม่ได้ทันสมั ย, ยแต่ก็สามารถที่จะระบุความเป็นจริงอันนี้ออกมาได้แล้วก็เป็นความเป็นจริงที่มันยังไงไม่ก็จริงอ่ะยังไงมันก็จริงอย่างนี้แหละถ้ามันแยกย่อยแยกสลายออกไปเนี่ยก็กลายเป็นดินน้าไฟลมนี่ ไม่ว่าจะเป็นเราไม่ว่ามันจะเป็นอาสนะที่เรานั่งอยู่เอาไปเผาไฟมันก็กลายเป็นก้อนกองดินกองหนึ่งเหมือนกันหรือแม้แต่สถานปฏิบัติธรรมที่เรากำลังใช้ประโยชน์ใช้สอยอยู่นี้มันก็เป็นการประชุมกันของธาตุสี่เหมือนกันเพราะฉะนั้นอะไรอะไรมันก็เป็นการรวมตัวเป็นการประชุมกันของธาตุสี่ อันนี้มันก็จะยิ่งทำให้เราเห็นน่แหละว่าอ้าอันนี้มันก็ธาตุสีทันก็ธาตุสีจริงๆแล้วมันควรจะมีผลต่อจิตใจที่มันน่าจะเสมอกันนะเพราะมันก็เป็นธาตุสีนะถ้าเราพิจารณาให้มันลึกซึ้งไปอีกนะแล้วอะไรที่ทำให้ธาตุสีที่มันมาประชุมกันมีผลกับใจที่แตกต่างไปแตกต่างกันไป ตัวสำคัญก็คือใจนี่แหละที่ให้ความสําคัญมั่นหมายแบบตามสมมุติโลกเราสมมุติว่าอันนี้เราเรียกบ้านเรือนนะอันนี้ถ้าเป็นสีขาเห่าห้องห้องมันเมื่อเช้านี่แหละที่เราเดินจงกรมไปมันก็เห่าต้อนรับเรานะก็เรียกหมากลางวันมามีร้องเงาเงากะอันี้แมวมีเปีกบินได้บินไปบินมาอนนี้นก เราก็ให้ชื่อให้นามมันไปมันก็คงอยู่สภาพนั้นได้ชั่วระยะกาลเวลาหนึ่งเท่านั้นเองสุดท้ายพอมันหมดอายุหมดสภาพมันก็กลับคืนสู่ความเป็นธรรมชาติเดิมของมันก็คือธาตุ ส, สี เพราะนั้นใจเรานี่แหละที่ให้ความสำคัญกับมันอันนี้หมาอันนี้แมวอันนี้คนอันนี้ผู้ชายอันนี้ผู้หญิงใจเราก็เป็นตัวที่สร้างสมตนน ม, ม, สมติอันนี้ขึ้นมาแล้วก็มอบสมมติอันนี้ขึ้นมาแล้วเราก็ยึดติดกับสมมติอันนี้ไปด้วยตัวที่มีกิเลสคอยปกปิดความเป็นจริงทีงแท้ คือสภาวะที่มันเป็นการประชุมกันของทัศสีไม่ให้ใจมันได้รับรู้รับทราบซึ้งกับความจริงข้อนี้อันนี้ก็เป็นแนวหนึ่งที่เราก็สามารถจะพิจารณาได้เพราะนั้นเราก็จะเห็นได้ว่าการพิจารณามันก็มีหลายอย่างหลายแบบหลายแนวให้เราเลือกเลือกให้มันเหมาะกับตัวเอง แต่จริงๆแล้วมันก็ก็ลองทําให้มันทั่วๆนั่นแหละเราถนัดแนวไหนแล้วก็ทำในอันนั้นเยอะหน่อยแต่ก็อย่าละเลยที่จะพิจารณาในหลายๆแงม่มุมหักที่จะพิจารณาในหลายแบบหลายเหลี่ยมหลายมุมแบบนี้ซึ่งเราพิจารณาต่างๆแบบนี้เนี่ยจุดมุ่งหมายมันคืออะไรจุดมุ่งหมายก็คือถอดถอนกิเลสออกจากใจ หรือสุดสุดปลายทางก็คือถอดถอนความไม่รู้ออกจากใจอันนี้ก็เป็นงานของผู้ปฏิบัติธรรมที่ไม่ทำเนี่ยมันก็ไม่ได้ถ้าอยากที่จะพ้นทุกข์ก็ต้องทำงานนี้ให้มันแจ่มแจ้งขึ้นที่ใจแต่พอเราไปาสู่โลกของ อันนี้เราอยู่ในสนามซ้อมใช่ไหมแต่พอเรากลับไปสู่โลกความเป็นจริงของเราโลกของการทํางานโลกของการใช้ชีวิตที่ไม่ใช่สนามซ้อมแบบนี้มันก็เขาเรียกว่ามันก็จะมีครื่องทดสอบจรมาอยู่เรื่อยๆไม่ว่าจะเป็นทางตาทางหูมันก็เข้ามากระทบกระเสียนใจไม่ว่าจะเป็นความคิดในเรื่องการงานที่มันจะต้อง มีได้มีเสียมันก็มาบีบคั้นจิตใจเราก็ต้องคอยแก้ปัญหาเหล่านี้นั่นแหละเพราะว่าเวลาที่มันมากระทบกระเทือนใจความทุกข์มันก็จะเกิดกับใจของเราใช่เราอยากบ้นทุกเราก็ต้องถอดถอนเอาทุกข์ที่มันเฉพาะหน้าเหล่านี้เนี่ยให้มันให้มันสงบระงับดับไปด้วย แต่โดยมากเนี่ยเราก็จะเจอทุกไอ้ที่เป็นทุกแบบทุกจรแบบนี้เยอะพูดง่ายเจอทุกจรจนเรียกว่าเป็นทุกประจําก็ได้เ ร, เรื่องราวต่างๆก็เวียนวนเข้ามาทั้งวันน่นแหละเพราะฉะนั้นเราก็จะง่วนอยู่กับทํางานที่เรียกว่างานจร อ, อันนี้เราตั้งชื่อให้เองนะงานจร งานหลักคืออะไรงานหลักก็คือการที่เรามาพิจารณาให้เห็นตามความเป็นจริงนั่นแหละว่ามันเป็นของปฏิกูลโสโครกนะมันเป็นการประชุมกันของท่าสี่นะเหล่านี้หรือมันเป็นของที่ไม่เที่ยงเป็นทูปเป็นของไม่มีตัวตวนที่เราควบคุมได้น ะ, ะเหล่านี้อันนี้งานหลักอั้นตออธิบายอีกทีก็คืองานที่ ัาษามันมากระทบใจจากข้างนอกนี่แหละบางทีเขาก็ด่าเราเราก็ขัดเคืองใจมีเป็นต้นแล้วเราจะทำยังไงอ่ะเราขัดเคืองใจก็คือเราทุกข์ใช่ไหมละ่ะเราจะปล่อยวางยังไงอ่ะให้ใจเราสง บ, บสบายอันนี้ก็คือทุกจรที่มันเข้ามาเราก็ต้องแก้ไขพอเป็นอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยมันก็เ้าเรียกว่าเราก็ต้องทำทั้งสองงานงานหลักก็ต้องทา งานจอรอันนี้มันมาอยู่แล้วล้วก็ต้องสู้มันไปแต่โดยมากเนี่ยเวลาเราปฏิบัติทำไปแล้วเนี่ยเราก็จะให้ความสำคัญกับงานจรสมาลืมลืมที่จ ะ, ะมลืมที่จะหาเวลามาพัฒนางานหลักอันนี้ให้มันแจ่มแจ้งขึ้นที่ใจพัฒนาให้มันแจ่มแจ้งชัดเจน ปรากฏเป็นความรู้แจ่มแจ้งที่ใจเราก็อาจจะไม่ค่อยแบ่งเวลาสัดส่วนตรงนี้มาเท่าไหร่ก็งวนไปกับงานจรคือทุกจรที่มันจรเข้ามาซ้มาแต่ก็เป็นธรรมดาแหละเพราะว่าทุกจรนที่มันจรเข้ามามันก็เป็นของตรงหน้าใช่ไหมเป็นความทุกข์นปัจจุบันเราไม่แก้ความทุกข์นปัจจุบันจะไปแก้ความทุกข์ตรงไหน อันนี้มันก็ถูกนั่นแหละแต่ถ้าเราพอมีเวลาเนี่ยมันต้องเอาเวลาที่มีเอาเวลาที่ทุกจอยมันลดลงไปแล้วหรือมันได้ว่างเว้นหรือว่ามันยังไม่มีเราต้องเอามาทำงานหลักด้วยพอทุกจอยไม่มีบางทีก็อ่ะงั้นลราก็ไปชิวๆหลันลา้าไปเที่ยวไปเล่นกลับกลายเป็นว่าส่งเสริมทาให โ uh, oh ลภะโทสะเออโลภะโทสะราคะโมหะแถวนี้มันเฟื่งฟูขึ้นมาอีกมีกำลังมากขึ้นไปอีกพอโลภะโทสะโมหะราคะมันมีกำลังมากเนี่ยกิเลสมันก็ทำงานได้ดีเวลามีทุกข์มัน ก, ก็กระทบอย่างที่ชนิดเรียกว่ามีพลังด้วยแต่การที่เรามี เราพลาโทสะโมหะราคาที่มันเบาบางลงเนี่ยสาะาที่มันมากระทบใจเนี่ยมันก็ลดลงไปด้วยอ่าไม่ใช่ลดลงเขาเรียกว่าลดความรุนแรงลงไปด้วยเพราะว่าอะไรเพราะว่างานหลักที่เราพิจรนารณาดีแล้วนี่แหละเพราะว่าเราก็เห็นถึงความไม่มีแก่นสารเห็นถึงความที่มันเป็นของที่เราไม่น่ายึดติดหรือให้ความสำคัญกับมันมากจนเกินไป นั้นมีอะไรอะไรเราก็ช่างมันได้เหมือนยกตัวอย่างอย่างเช่นเราตั้งเป้าไว้เนี่ยเราจะต้องเป็นเศรษฐีพันล้านตอนนี้เรามีปัจจัยอยู่ประมาณหลักสิบล้านโอ้อีกตั้งสองศูนย์อีกตั้งสองตัว มันก็เยอะพอสมควรนะแต่จริงๆถ้าเราคิดให้ดีเนี่ยหัวสิบล้านหลักสิบล้านมันก็มันก็ไม่ได้เดือดร้อนอะไรแล้วหรอกใช่ไถ้าไม่มีหนี้นะพอมเป็นอย่างนี้เพิ่มเนี่ยมันก็เหมือนเราก็พยายามทาเป้าหมายให้เราบรรลุอที่เราตั้งเป้าไว้มันต้องให้ได้เป็นหลักพันล้านให้ได้พัฒนากกิจการให้มันได้พันล้านได้ได้แต่ถ้าเรามอง ให้ดีนะมีหลักสิบล้านมันก็ไม่ได้เดือดร้อนอะไรเนี่ยเราก็มีมีมีอยู่มีกินมีพอใช้หนี้ก็ไม่มีอย่างเงี้ยก็สบายอยู่แล้วแต่ไม่ใช่ว่าจะไม่พัฒนากิจการการงานให้มันดีขึ้นนะแต่เราไม่เอาคำว่าพันล้านมาทับถมจิตใจเพราะอะไรมันจะมีสิบล้านมีร้อยล้านพันล้านหรือมีหลักแสนที่เราไม่มีหนี้นะ แค่นี้มันก็พออยู่พอกินอยู่แล้วเพราะมันพออยู่พอกินจะมีมากแล้วไงจะมีมากขึ้นไปอีกแล้วมันยังไงความสุขเราจะไปผูกกับตัวเลขในธนาคารที่มันเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นมันก็ไม่สมเหตุสมผลเท่าไหร่เนาะอันนี้พอเราเห็นถึง ความไม่มีสาระเขียนสารที่เราพิจารณาดีแล้วเนี่ยเรามีพันล้านตายไปก็เอาไปไม่ได้สักบาทหนึ่งเรามีหมื่นหนึง่งตายไปแล้วก็เอาไปหมื่ 10, นหมื่นหนึ่งที่มีเหลืออยู่เนี่ยเอาไปไม่ได้เหมือนกันพอมาเป็นอย่างนั้นปุ๊บล้วก็เบาใจได้จะมีสิบล้านแล้วก็มีความสุขได้ถึงมันจะมีร้อยล้านแล้วก็มีความสุขเหมือนเดิม ขอแค่มันไม่มีหนี้อาจมีร้อยล้านได้แล้วแล้วก็มีหนี้อยู่เป็นหลักร้อยล้านเหมือนกันเงี้ยอ๋อนี่ก็ทุกข์ใจเหมือนกันนะมีพันล้านแต่มีหนี้เป็นหลักร้อยล้านเงี้ยมันก็น่าทุกข์ใจอยู่เหมือนกันแม้ใ น, นความสุขของคราวาสเนี่ยความสุขจากการหาทรัพย์อันหนึ่งแหละความสุขจากการที่เราใช้ใจ่ายทรัพย์อันหนึ่งแหละความสุขจากการที่เราไม่มีหนี้ด้วยนะ อันนี้สำคัญบางคนรู้แต่มีทรัพย์ใช้ใจ่ายทรัพย์คือความสุขแต่ลืมใบข้อสำคัญการที่เราไม่มีหนี้เนี่ยมันชีวิตเราจะมีความสุขมากขึ้นเพราะการที่เรามีหนี้มันก็มีคนมาทวงหนี้เราเนี่ยมีคนมาทวงหนี้มันก็ลำคาญใจมีทุกข์ใจใช่หเพราะฉะนั้นอพอเราเห็นถึง ว่าเรามีเงินน้อยเรามีเงินมากขอแค่เราไม่มีหนี้เนี่ยมันก็คือเรามีอ่ะเราไม่ได้เดือดร้อนพอเรามีเราไม่เดือดร้อนมันก็มีความสุขได้จะมีน้อยจะมีมากมันก็มีความสุขตามอัธพาพนั่นแหละขอให้มันพอดีไม่ใช่ว่ามีหลักร้อยใช้จ่ายหลักพันเงี้ยก็เกินไปแล้วเราก็มีหลักร้อยเราใช้จ่ายหลักพัน เราจะใช้ใจ่ายแบบนั้นไปเพื่ออะไรตายไปสุดท้ายสาระแก่นสารที่เราทำอยู่้องทำมันเอาอะไรไปได้บ้างนี่เป็นต้นนะพอเราพิจารณาดีแล้วแบบนี้เนี่ยเราก็คลายความยึดติดยึดถือคลายความหน่ายมันมีความหน่ายมีความคลายกาหนั่นคลายความอยากผิดผิดของใจออกไป พอเรามีความทะยันอยากที่มันเบาบางสมเหตุสมผลเนี่ยเราก็จะไม่ค่อยหาเรื่องใส่ตัวนะใช่ป่ะอยู่ง่ายกินง่ายแล้วเวลาที่มีอะไรมากระทบใจเนี่ยเรากม็มันก็ไม่ได้มีสาระแกล่ยนสารอะไรมากมายถึงเวลาที่ต้องทำแก้ไขปัญหาก็แก้ไป ถึงเวลาที่ควรจะต้องพักก็ในเมื่อมันต้องพักเราก็จะได้พักได้อย่างเต็มที่ไม่เก็บมันมาเป็นกังวลคือรู้จักใช้รู้จักวางให้มันสมแก่สถานะที่มันเป็นแต่มันจะวางอมันเหมือนคนทำงานคนทำงานที่แบบว่ากำลัง เรียกว่ามีแพชชั่นกำลังอินกำลังสนุกกับงานเนี้ยมันมันก็ไม่ค่อยได้พักผ่อนนะก็อยากจะทำให้ได้เยอะๆอยากจะทำให้มันประณีตแล้วประณีตอีกก็ทำไปทำมาก็ไม่ได้พักไม่ได้ผ่อนแต่ถ้าเรามีความจริงที่เราพิจารณามาคานกันนะจะทำดีจะทำประนีขึ้น ถ้าเราจะเอาความสุขจากไหนจากการที่เขาจะมาชมเราหรือจากการที่ประโยชน์ที่มันเกิดขึ้นใช่ไหมถ้าเป็นอย่างนั้นเนี่ยสุดท้ายโอเคมันได้ประโยชน์เกิดขึ้นมีคามชมเกิดขึ้นเราก็แบกเอาสิ่งเหล่านั้นเอาไปไม่ได้หลังความตายของเราเพราะฉะนั้นมันจะเสร็จช้ากว่านี้อีกสักนิดนึง ก็ไม่เห็นเป็นไรให้เราได้พักผ่อนซะหน่อยยิ่งเราได้พักผ่อนหัวสมองก็ดีร่างกายที่มันสดชื่นขึ้นมาก็ดีมันก็ทาให้เราเราทการงานได้รอบคอบแล้วก็ประณีต ด, ดีขึ้นอีกเพราะนั้นมันก็จะทำให้เรามีความพอดีมีความกลมกล่อมในความคิดในวิถีการปฏิบัติตัว ในทุกๆด้านในทุกๆอย่างที่มันจรเข้ามาในชีวิตเรานั่นแหละพอเราทำงานจรเหล่านี้ได้ดีทุกจรมันก็เขาเรียกว่าดับไปได้เร็วใช่ไหมพอดับไปได้เร็วเราก็มีช่วงเวลาที่เราจะว่างว่างจากทุกจรนใช่ไหมเราจะได้มีเวลามาพัฒนานงานหลักอันนี้ให้มันแจ่มแจ้งขึ้นในใจอีกจากที่เรายัง รู้แหละว่ามันไม่มีสัตว์ไม่มีบุคคลไม่มีตัวตนเราเขานะแต่มันยังไม่ถึงบังอ้อไม่ถึงหนองอ้อเราก็มาพัฒนามันจนให้มันอ๋อขึ้นในใจของเราให้ได้พอมันอ๋อขึ้นในใจนี่ก็เรียกว่าได้ถอดถอนสัโยชนี่คือเครื่องร้อยรัดจิตของเราให้มันอยู่ในวัตฏะสงสารอันนี้ พอเราได้ถอดถอนเครื่อง ก, กูเครื่องร้อยลัดเหล่านี้ออกไปใจเราก็ยิ่งเบาสบายผ่องใสดีขึ้นมากขึ้นพอเราถอดถอนเราไปแล้วใจเราเบาสบายผ่องใสมากขึ้นมันก็ไปมีผลมีผลยังไงมีผลคือเราก็เป็นคนที่อยู่ง่ายอยู่ง่ายขึ้นไปอีกเงื่อนไขในชีวิตเราก็ซับซ้อนน้อยลงพี่ พอเงื่อนไขในชีวิตเราซับซ้อนน้อยเราก็อยู่สบายทุกก็น้อยแต่คนที่มีเงื่อนไขความสุขที่มันซับซ้อนมันก็หาความสุขยากมีเงื่อนไขที่มันมากมันก็โอกาสที่จะเจอความทุกข์ก็ง่ายพอเราพัฒนาเราเห็นถึงความไม่มีสาระเกี่ยนสารได้ดีมันก็ทำให้เรา เข้าใจมันเราก็อยู่ง่ายเพราะว่าพอมันไม่มีสาระแกนสังใจเราก็ไม่อยากจะไปผูกติดผูกยึดให้มันมาเป็นผู้เป็นโทษตับจิตใจเราเห็นมันเป็นโทษเราก็ไม่อยากไปยุ่งไปข้องแวะด้วยใช่ไหมเพราะนั้นก็ชี้ใเห็นนี่ว่าเวลาที่เราปฏิบัติธรรมเรามีงานหลัก เรื่องจำเป็นก็คือมาพัฒนาจิตใจให้มันรู้เท่าทันถึงสภาพต่างๆตามความเป็นจริงแต่แน่นอนว่าในชีวิตที่เราจะต้องเจอเนี่ยนอกจากการที่เราจะมีเวลามาพิจารณาแบบนี้เนี่ยเพื่อจะถอดตอนกิเลสออกจากใจแล้วเนี่ยมันก็ไม่ให้เวลาเรามากมายเท่าไหร่หรอกมันก็จะจัดหนักเรา เอาข้อสอบผ่านมาทางตาทางหูทางจมกูกทางลิ้นทางกายทางความคิดนึกองแต่งของเราอยู่เรื่อยๆให้เราไม่ได้พักใจให้เราเสียหลักกับข้อสอบที่ที่มันนำมาพอเราเสียหลักก็หมายถึงว่าถ้าเสียหลักนิดหน่อยก็คือเราแค่ขี้เกียจขี้คร้านหรือก็อาจจะเว้นจากการดูแลจิตใจ แต่ถ้าเสียหลักมากๆศีลเราก็จะเริ่มที่จะไม่ค่อยบริบูรณ์สมบูรณ์จากห้าข้อที่จําได้ดีเลยก็จะเริ่มมีบางข้อที่จะแบบทําได้บ้างไม่ได้บ้างอันนี้ก็เสียหลักแ น, น่นอนแต่ถ้ายังไม่เสียหลักมากอาจจะแบบอา้าวเราเคยนั่งสมาธิทุกวันพอเสียหลักก็คืออะไรอา้าวอาจจะมีเรื่องที่ทําให้เราต้อง ไปหาความสุขทางกามมากขึ้นขี้เกียจในการที่จะมาเข้าสมาธิทำความสงบอันนี้ก็เสียหลักแบบยังเรียกว่ายังไม่เสียหลักถึงแบบขั้นเสียศีลถ้าเสียศีลนี่โอกาสที่เราจะลงต่ำมันมีมีมากเพราะฉะนั้น ถ้าเสียหลักไม่มากเราก็ยังพอเอาตัวรอดคือเรายังพอมีศีลที่ยังบริบูรณ์อยู่ได้นั้นปฏิบัติทำไปแล้วก็อยากให้ข้อสอบมันเล่นงานจนถึงขนาดที่เรารักษาศีลของเราไว้ไม่ได้ยิ่งศีนเราบกพร่องมากขึ้นมากขึ้นเรื่องราวต่างๆชีวิตเรามันก็จะเร่าร้อนมากขึ้นมากขึ้นนั้นกันที่เราทํา งานภายในให้มันดีเนี่ยสีเราก็จะได้รับการคุ้มครองได้ดีพอคุ้มครองได้ดีเรื่องก็ลดลงพอเรื่องลดลงเราก็มีเวลาที่จะมีเวลามีกระจิกกระใจที่เราจะมาทํางานหลักคือการพิจารณาให้เห็นถึงความไม่เที่ยงเียนถึงความว่ามันเป็นของนำทุกข์มาให้ เห็นถึงความที่มันควบคุมไม่ได้บอกไม่ได้ว่าไม่ฟังเรื่อนี้เราจะได้ไม่ไปเขาเรียกว่าคลายความยึดมั่นถือมั่นในสิ่งนั้นๆลงไปพอเป็นอย่างนั้นปุ๊บมันก็จะช่วยให้เราแก้ไขปัญหาที่มันจอนเข้ามาในชีวิตเราได้ดีขึ้นสะดวกขึ้นมันก็จะวนๆไปอย่างนี้แหละงานจอนช่วยงานหลักพอางานหลักดีมันก็าทาให้งานจอนเราคล่องตัวไปด้วย ดั้ก็หมั่นที่จะมีสติที่จะพัฒนางานหลักตอนนี้ให้มันดีให้มีสติมีสมาธิที่มันมีกำลังพอมีกำลังดีแล้วก็หมั่นที่จะคอยคุยกับใจสอนใจบ่อยๆให้ใจเข้าใจถึงสภาวะตามความเป็นจริงหรือฉีกสมมติที่กิเลสมันปิดบังรอไว้ ฉีกสมมติให้มันมาเจอวิมุตให้ได้